เดรชานภูมิมนุษย์อย่างพวกเรานี้ถึงแม้จะร่วมอาศัยในดาวเคราะห์ดวงเดียวกันกับสัตว์ในพบอื่นดังเช่นที่เห็นเหล่าสัตว์เดรชานที่วิ่งกันให้เกลื่อนบางลัทธิยังอุตสาห์สร้างความเชื่อว่าพวกมันไม่มีจิตวิญญาณหรือเป็นเพียงวัตถุที่เกิดมาให้มนุษย์กัดกินโดยเฉพาะนี่ย่อมเป็นเครื่องยืนยันว่า การเห็นภพภูมิอื่นด้วยตาเปล่าไม่ได้ช่วยใหเรารู้เรื่องภพภูมิดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยพุทธพ์ธเดรฉานภูมิเปรียบเสมือนหลุมที่ลึกยิ่งกว่าช่วงตัวมนุษย์และเต็มไปด้วยอุจจาระหลุมนี้ย่อมไม่นำความสุขมาสู่ผู้กำลังร้อนเหนื่อยและหิวกระหายอยู่ก่อน ถ้ายังเดินหลงมาตามทางที่จะพลัดตกลงไปในหลุมอุจาระนี้อีกในที่สุดเขาย่อมพบกับความเน่าเหม็นเป็นทุกอย่างชะกันอีกทั้งยังต้องทุรนทุรายหิวกระหายไม่เลิกด้วยจากมหาสีหนาฏสูตรเหล่าสัตว์เดรัจฉานแบ่งเป็นพวกต่างๆคือหนึ่งพวกที่มีหญ้าเป็นอาหารเช่นมา้าโคลาแพะ และอื่นๆที่กินหญ้าเหมือนกัน 2. พวกที่กินคูดเป็นอาหารเช่นไก่สุกรสุนักบ้านสุนักป่าและอื่นๆที่กินคูดเหมือนกันเมื่อได้กลิ่นคูดแต่ไกลก็รีบวิ่งกระหืดกระหอบไปด้วยหวังว่าจะกินเสียเดี๋ยวนั้นเปรียบเหมือนพวกพรามเดินไปตามกลิ่นเครื่องบูชาด้วยความตั้งใจว่าจะกินให้ได้เลย 3. พวกที่เกิดแก่และตายในที่มืดเช่นตะกะัแตนมอดไส้เดือนและอื่นๆที่อยู่มืดๆเหมือนกัน4พวกที่เกิดแก่และตายในน้ำเช่นปลาเต่าจระเข้และอื่นๆที่อยู่ในน้ำเหมือนกัน 5. พวกที่เกิดแก่และตายในของโสโครกเช่นจำพวกที่อาศัยปลาเน่า จำพวกที่อาศัยศพเน่าจำพวกที่อาศัยในขนมกุมมาชเก่าจำพวกที่อาศัยในน้ำครามจำพวกที่อาศัยในหลุมโศโครและอื่นๆที่อาศัยของโศโครเหมือนกันคนพานเห็นแก่กินด้วยความติดในรสอาหารเขาทำกรรมลามกเอาไว้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเดรัจฉานกินของเน่าเหม็นประการต่างๆ จากาละบันดิตสูตรมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์เมื่อพระพุทธเจ้าเปรียบเดรัจฉานภูมิว่าเทียบได้กับหลุมลึกที่เต็มไปด้วยอุจจาระดักอยู่บนทางกันดาลก็หมายความว่าเส้นทางสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานคือกับดักที่น่ารังเกียจยิ่งถ้าตกลงไปแล้วก็ปีนป่ายกลับขึ้นมายาก ซึ่งผู้ระลึกชาติได้ต่างก็ยืนยันตรงกันว่าเมื่อพลาดไปเป็นสหายแห่งสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ต้องวนเวียนเกิดตายด้วยความติดในสภาพนั้นๆ น, น, นับหมื่นชาติกว่าที่บาปจะเลิกให้ผลยกตนกลับสู่ภูมิที่สูงขึ้นได้แต่แม้จะน่ารังเกียจปานใดก็ยังนับว่าดีกว่าพลัดตกลงไปในหลุมฐานเพลิงภูมิแห่งสัตว์เดรัจฉานนั้น แม่น่ารังเกยียจสาหรับมนุษย์แต่อาจหอมสาหรับสัตว์ที่เหมาะเช่นนอนในซ้วมย่อมเห็นอุจจาระเป็นที่อยู่ที่กินอันสำราญของตนเปรียบได้กับมนุษย์ที่ชาชินกับกรรมเน่าเหม็นย่อมเห็นว่ากรรมนั้นดีน่าทมแมวบ้านหรือหมาบ้านหน้าตาน่ารักน่าสงสารที่ถูกฟอกด้วยแชมพูเนื้อตัวสะอาดสะอาด ได้รับการประครบประงมอย่างดีนั่นคือตัวอย่างความเน่าเหม็นที่ห่อหุ้มด้วยบุญเก่าแล้วเป็นประเภทหนึ่งในล้านแล้วภูมิเดรดฉานจะปรากฏอย่างแท้จริงเมื่อไม่มีมือมนุษย์ยื่นเข้าไปแทรกแซงอย่างเช่นพวกงูได้แต่เสือคลานไปทั้งชีวิตพวกนกเพนกวินกินแม้กระทั่งขี้ของตัวเองพวกค้างคาวถูกบังคับให้เกลียดแสงสว่างเป็นต้น คงไม่มีใครคัดค้านว่าสภาพชีวิตของเดรัชานทั้งหลายน่าอนาจกว่ามนุษย์ผู้สิ้นไร้ไม้ตอกที่สุดในโลกเป็นแน่กรรมอันควรแก่สภาพเน่าเหม็นกรรมเน่าเหม็นย่อมเหมาะแก่สภาพเน่าเหม็นเมื่อศีห้าด่างพร้อยหรือขาดทะลุเป็นประจำก็มีผลให้จิตใจตกต่ำดำมืดพร้อมจะไปเป็นเพื่อนสัตว์เหล่าใดเหล่านึง ยกตัวอย่างเป็นข้อข้อได้คือหนึ่งทำร้ายร่างกายคนหรือสัตว์เช่นทุบตีลูกเอาความสะใจตามอารมณ์โกรธไม่ใช่ด้วยความเมตตาคิดกำราบชอบเตะหมาเล่นด้วยความเห็นเป็นของสนุกชอบตกปลามากินหรือฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อความบันเทิงถ้ากรรมจะลผลิตผลก็ต้องไปสู่ความเป็นเช่นนั้น mm hmm. เพื่อเป็นฝ่ายถูกกระทาเข้าให้บาก 2. ช่อโกงทรัพย์สินของคนอื่นเช่นมีรายได้เพื่อการอยู่กินที่ดีขึ้นด้วยวิธียักยอกทรัพย์บริษัทถือเอาของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ยกให้เป็นนิสัย 3. ประพฤติสัมสชอนเช่นเห็นการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องเลือกหน้าก็ได้จะลักกินขโมยกินด้วยการลอบขึ้นบ้านใคร ขณะผัวเผลอหรือเมียเผลอบ้างก็ได้สพูดให้เกิดความเสียหายเช่นขอทานด้วยวิธีโกหกว่าไม่มีสตางค์กินข้าวนินทาว่าร้ายยุแยงตะแคงรั่วด้วยเจตนาให้คนแตกคอกันด้วยฝีมือตนหเศรเครื่องเมาถึงขั้นสติพร่าเลือนเช่น กินเหล้าจนสมองทึบคิดอ่านอะไรไม่ค่อยออกโกรธง่ายหายช้าแม่น้ำหนักอาการปล่อยใจตามแรงจูงของกิเลสจะเบาวกว่าที่กล่าวมาแต่ถ้าสั่งสมให้มากจนเกิดกลิ่นเน่าเหม็นทางบิญญาณฟุ้งกระจายคือใครเห็นใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกถึงความหม่นมืดน่ารังเกียจชวนให้อยากหลีกห่างแบบนี้ก็พร้อมจะดิ่งเข้าท้องสัตว์ในทันทีที่ตายเช่นกัน การไปสู่ความเป็นสัตว์นั้นมีความหลากหลายเพราะโดยหลักแม้พบของสัตว์เดรัจฉานจะเหมาะกับคนที่อยู่กินด้วยกรรมอันเน่าเหม็นลามกแต่ก็ยังมีจาพวกของสัตว์ชั้นสูงแยกย่อยมากมายบางคนอุตสาห์ทำดีทั้งชีวิตจะมาพลาดในขณะใกล้ตายเช่นตายอย่างมีห่วงตายอย่างขาดสติตายอย่างเหม่อลอยพร่าเพอ ตายอย่างเศร้าหมองขาดที่ยึดเหนียวพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าจิตเศร้าหมองก่อนตายอบายเป็นที่หวังได้อย่างไรก็ตามเหล่าคนดีที่พลาดไปเป็นสัตว์นี้บุญเก่ามักส่งไปอยู่ในอัตภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูคนเห็นแล้วอยากเลี้ยงอยากประครบประงมซึ่งนี่ก็เป็นวิธีแสดงตัวของกรรมที่ยื่นมือเข้าอุปถมัมภ์ ไม่ให้ตกรกรรมลำบากจนเกินไปและชาติรแรกๆที่ไปเกิดเป็นสัตว์ก็มักมีความรู้สึกนึกคิดใกล้เคียงมนุษย์สามารถสื่อสารกับมนุษย์เข้าใจได้ง่ายฟังภาษาคนหลายๆคำออกแม้แต่พระถ้าครองจีวรแล้วขี้เกียจไม่ทำตามกติกาที่ให้คำตกลงไว้กับพระพุทธเจ้าในวันบวชคือไม่เพียรพยายามปฏิบัติเพื่อทำมรรคผลนิพพานให้แจ้ง สักแต่บริโภคข้าวขนมและน้ำที่ชาวบ้านจัดมาถวายไปวันๆด้วยอาการเกียจคร้าน <c oughs> ก็อาจต้องไปเป็นวัวชดใช้ข้าวน้ำของชาวบ้านได้ทั้งที่ไม่เคยทำผิดวินัยร้ายแรงใดๆเลยนิมิตบอกหลางร้าย <c oughs> การไปสู่ความเป็นสัตว์ <c oughs> คือการไปอยู่ในสภาพชวนสังเวชหน้าอาเนกอนา กรรมนิมิต ท, ที่ปรากฏในห่วงมโนทวารก่อนตายจึงเป็นความคิดคําพูดหรือการกระทําใดๆอันน่าอดสูชวนให้ทุเรศตนเองหากไม่ใช่นิมิตการทํากรรมอันน่าเศร้าหมองก็อาจเป็นกตินิมิตของสัตว์ที่ตนจะต้องไปเป็นเช่นคนจะไปเป็นลิงอาจเห็นแมกไม้ในราวป่ากับได้ยินเสียงร้องเจีเจ๊ยบเป็นต้นสิ่งที่เห็นในห่วงมโนทวารก่อนตาย มักเตือนให้ระลึกเป็นภาพรวมว่าชีวิตที่ผ่านมานี้เป็นคนเช่นไรเหมาะกับเผ่าพันธุ์สัตว์แบบไหนเช่นเป็นคนดุร้ายแต่มีความสง่างามน่าเกรงขามเหมาะกับสภาพแบบเสือหรือราชสีคนอันตรภานที่มุ่งร้ายกับคนอื่นก่อนได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลเหมาะกับสภาพแบบตัวต่อคนหน้าไหว้หลังหลอกที่เต็มไปด้วยความคึกขนอง เหมาะกับสภาพแบบลิงคนรักเดียวใจเดียวแต่เศร้าหมองอาไลัยไม่เลิกเหมาะกับสภาพแบบนกเป็นต้นสภาพแวดล้อมของเดรัจฉานความจริงคุณเห็นตัวอย่างของมนุษย์ที่เลื่อนภูมิ ล, ลงไปเป็นเดรัจฉานบ่อยเช่นสุนักที่คุณศบตาด้วยแล้วรู้สึกเหมือนส่งตาพยายามสื่อสารกับคุณ เหมือนมันอยากพูดอะไรแต่พูดไม่ได้ได้แต่เห่าพวกนี้เป็นตัวอย่างของการพิ่งมาจากความเป็นคนบางตัวเกิดใกล้ถินฐานเดิมของตนเลยยิ่งจำได้ชัดนึกรู้สึกอยู่เป็นบุบบุว่าเราเคยเป็นคนและอย่างที่คุณเห็นจนคุ้นสัตว์มีอยู่มากมายทั้งตัวเล็กตัวใหญ่สื่อสารกับมนุษย์ได้บ้างสื่อสารกับมนุษย์ไม่ได้เลยบ้าง อาศัยเป็นที่เป็นทางบ้างจอจัดอยู่ตามถนนบ้างเป็นสัตว์สามมันที่มนุษย์เลี้ยงกันทั่วบ้างเป็นสัตว์ไม่สามมันที่มีมนุษย์เพียงบางคนเลี้ยงไว้บ้างแต่ความจริงก็คือไม่ได้มีแค่หมูหมากาไก่นกหนูและแมลงไม่กี่ชนิดที่คุณรู้จักทว่าโลกใบนี้ใบเดียวรองรับสิ่งมีชีวิตไวถึงประมาณสิบล้านสายพันธุ์ กล่าวอีกในหนึ่งคือโลกนี้ยินดีต้อนรับผู้ก่อกรรมสิบล้านประเภทเหนือขึ้นไปบนฟ้ายังมีสัตว์ปีกลึกลงไปในดินยังมีสัตว์ใต้พิภ พ, พ, พเบื้องล่างลงไปในมหาสมุทยังมีสัตว์น้ำลึกซึ่งเหล่านั้นเราอาจไม่เคยเห็นหน้าค่าตาของพวกมันเลยจนตายพวกเราได้แต่เชื่อโดยอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวว่า อุณหภูมิประมาณนี้แสงสว่างประมาณนี้น้ำดินประมาณนี้จึงมีชีวิตอย่างมนุษย์เราและหมูหมากาไก่อาศัยอยู่ได้นี่แหละสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการมีชีวิตหากเป็นสภาพแวดล้อมแบบอื่นชีวิตก็น่าจะหมดสิิ์ถือกำเนิดเกิดมาดำรงอยู่เป็นแน่แท้นักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อกันว่าณระดับมหาสมุทรลึกตั้งแต่ห0เมตรเป็นต้นไป ไม่อาจาเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากแสงอาทิตย์อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตไม่อาจส่องเข้าไปถึงคือแค่สองเมตรก็มืดสนิทแล้วแถมใต้น้ำลึกขนาดนั้นยังไม่ค่อยมีสารอาหารซึ่งจําเป็นสูงสุดสำหรับสิ่งมีชีวิตอีกตั้งหากแต่ทว่าความปักใจเชื่อเช่นนั้นถูกทาลายลงสิ้นนับแต่มีเรือดาน้าไคโกะ ซึ่งดิ่งลงไปได้ถึงจุดที่ลึกที่สุดในโลกคือก้นบึงหมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีชื่อเรียกว่ามาเรนาเทนจ์ซึ่งลึกหนึ่งหเมตรหรือราว11อดกิโลเมตรณจุดที่มีแรงดันมากกว่าแรงดันอากาศ 1,100 หนึ่งเท่าเจ้าตัวน้อยเช่นปูขาวขนาดเล็กนอนทะเลกุ้งเผือกปลาจิว๋ว ตลอดจนสัตว์แปลกหน้าอีกมากยังอุสตสาห์ดัโรงชีวิตยอยู่กันได้สบายๆเหมือนจะประกาศเยยนักวิทยาศาสตร์ว่าถ้าพอใจจะอยู่ซะอย่างยิ่งกว่านี้ก็ยังไหวทำไมสัตว์เหล่านี้ไม่ตายภายใต้แรงดันมหาศาลนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยความดันภายในตัวของพวกมัน มีค่าเท่ากันพอดีกับแรงดันน้ำณระดับนั้นๆคำถามต่อไปแล้วพวกมันเอาอาหารที่ไหนกินคำตอบคือสัตว์บางตัวไม่มีปากสำหรับกินแถมไม่มีระบบย่อยอาหารอีกด้วยพวกมันมีชีวิตรอดอยู่ได้ด้วยไฮโดรเจนซัลไฟล์ซึ่งพบในน้ำลึกเกิน 2,500 เมตรขึ้นไปทีนี้มาถึงคาถามมหาศจร์ ภายใต้ท้องสมุทรลึกสุดอย่างป่านนั้นทำไมสิ่งมีชีวิตถึงต้องดันทุรังไปเกิดให้ลำบากด้วยการมองว่าพวกมันต้องพยายามปรับตัวทำให้สัตว์ทะเลลึกดูมีความไม่ปกติในตัวเองหรือไม่ก็ชวนให้นึกไปว่าสัตว์โลกทั้งหลายสักแต่อยากมีมีชีวิตมีมีเผ่าพันธุ์ของตนให้เต็มโลกโดยไม่สนใจว่าจะเป็นตรงไหนเหมาะหรือไม่เหมาะถ้าไม่เหมาะ ก็ค่อยปรับตัวเอาแต่ถ้าเหมาะอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับตัวดังเช่นมนุษย์เราและสัตว์บนบกอื่นๆการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางโลกตลอดจนการสันนิษฐานด้วยวิธีคิดเคเนด้นเอาจะมีหลักการหรือไม่มีหลักการก็ตามมักถูกล้มล้างด้วยการค้นพบความจริงในภายหลังว่าไม่ใช่ไม่ตรงตามที่สันนิษฐานแต่หากรู้จริง ด้วยวิธีทางจิตด้วยยานอย่างรู้ครอบทั่วก็ไม่ต้องมาล้มล้างทฤษฎีเก่าด้วยการสร้างทฤษฎีใหม่ร่ำไปโลกนี้มีคำอธิบายที่ฟังขึ้นและสมเหตุสมผลด้วยหลักกา ร, รวิบากเราต้องยอมรับว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตใช่มาจากการสืบพันธ์อย่างเดียวทว่ามีกรรมเก่าบังคับให้ต้องมีรูปชีวิตแบบหนึ่งขึ้นมาก่อน จากนั้นองค์ประกอบของการเกิดและการดำรงชีวิตอยู่จึงตามมาในภายหลังดังเช่นสัตว์น้ำลึกนั้นจัดเข้าข่ายกรรมที่เหมาะกับการเป็นสัตว์น้ำและอยู่ในที่มืดไร้แสงชนิดใดๆศาสตร์ส่สองเข้าไปถึงเมื่อมีกรรมเช่นนั้นเป็นตัวตั้งทั้งรูปชีวิตและสิ่งแวดล้อมระดับเดรัจฉานภูมินั้นๆก็ตามมาเองไม่มีอะไรที่กฎแห่งกรรมวิบากออกแบบให้ไม่ได้ และสัตว์ผู้รับกรรมก็ไม่ต้องปรับตัวใดๆเพราะกรรมได้จัดการปรับอวัยวะภายในและสภาพแวดล้อมให้ลงตัวสอดคล้องกันหมดอยู่แล้วนอกจากสัตว์ทั้งหลายจะมีอายุไขแล้วแต่ละเผ่าพันธุ์ก็มีอายุไขเช่นกันไม่มีสายพันธุ์ใดถูกกำหนดให้อยู่กู้โลกไปจนชั่วฟ้าดินดับที่แท้ต่างก็กาลังทยอยสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆทั้งหมด เมื่อใดจะสูญพันธ์เมื่อ น, นั้นระบบการคลอดจะล้มเหลวอย่างลึกลับเช่นสัตว์มีคันจะแท้งพร้อมกันทั่วนหน้าไร้คําอธิบายเป็นเหตุเป็นผลแบบวิทยาศาสตร์การทยอยสูญพันธุ์ของเหล่าสัตว์ช่วยให้เราคิดได้ว่าบางพันธุ์เป็นเพียงเผ่าพันธุ์เฉพาะกิจเหมาะสําหรับรับกรรมของสัตว์จําพวกหนึ่งพอไม่เหลือสัตว์ที่ทํากรรมอันเข้ากันได้ เผ่าพันธุ์เฉพาะกิจนั้นก็ถึงแก่การสลายตัวไปและเมื่อมองว่าภพภูมิคือการโยกย้ายถ่ายเทประชากรเราก็จะตอบคำถามคาใจหลายๆคนได้อย่างชัดเจนเช่นคนเกิดมาจากไหนเยอะแยะไหนว่าต้องมีบุญมากถึงจะเป็นคนได้ก่อนขึ้นคริสตศกราชสองพันมีพลโลกทั้งสิ้น6 0พันล้านคน แต่ความเป็นจริงแล้วโลกนี้คือการยักย้ายถ่ายเทระหว่างคนเป็นกับคนตายถ้ามีตาทิพย์ก็จะเห็นมีเด็กเกิดใหม่เป็นดอกเห็ดถึงวินาทีละสามคนแต่วินาทีเดียวกันนั้นเองก็จะมีคนตายสองศพด้วยมีการคำนวณกันว่าตั้งแต่ต้นตะกูลมนุษย์อุบัติมาจนถึงทุกวันนี้มีคนมาเกิดแล้ว รวมไม่ต่ำกว่าแสนล้านคนเพราะฉะนั้นมนุษย์ตายแล้วจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็อย่าได้แปลกใจอะไรเลยหพันล้านยังน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับการเวียนว่ายอยู่ในโลกใบเก่าแต่ข้อเท็จจริงก็คือโลกมนุษย์คือการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายระหว่างภพอีกมากคนตายไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรต ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรมและสิ่งมีชีวิตต่างภูมิเหล่านั้นก็วนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกเรื่อยๆเอาเฉพาะที่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างสัตว์เดรัจฉานไม่มีใครรู้แน่นอนว่าจำนวนประชากรสัตว์มีอยู่เท่าไหแค่สัตว์ใหญ่เฉพาะบัวควายหมูและแกะที่ผ่านโรงฆ่าสัตว์มาเป็นอาหารของมนุษย์นั้นหนึ่งปี รวมแล้วเกิน 1,600 ล้านตัวส่วนสัตว์เล็กที่ฆ่ากันได้สะดวกโดยไม่ต้องผ่านโรงฆ่าสัตว์อย่างเช่นไก่นั้นยอดต่อปีเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆล่าสุดตกราว1 8 0่งล้านตัวสัตว์เพียงห้าชนิดอันเป็นอาหารประจำของมนุษย์ที่กล่าวมานี้พากันตกตายไปเพียงปีเดียวก็เกินจำนวนพลโลกในปัจจุบันไม่รู้เท่าไรแล้ว สัตยิ่งเล็กลงมาเท่าไรก็ยิ่งมีปริมาณมากขึ้นเท่านั้นเหมือนฟ้องว่าส่วนใหญ่เคยเป็นมนุษย์ใจเล็กทำอะไรตามๆกันก่อกรรมในแบบที่ต้องเกิดในอัตภาพจิ๋วๆดูอย่างปลาทั้งมหาสมุทรคำนวณแล้วมีอยู่ไม่ต่ำกว่าสาจุล้านล้านตัวขอให้ตรองดูระดับปลายัางขึ้นหลักล้านล้านถ้านับมดปลวก รวมกันทั้งโลกคงเป็นตัวเลขที่นึกไม่ออกบอกไม่ถูกขนาดไหนยิ่งกว่านั้นพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งจักรวาลยังตรัสไว้อีกว่าโลกมนุษย์อย่างนี้มีเป็นอนันต์แต่ละโลกก็มีภูมินรกเดรัจฉานเปรตเทวดาและพรมที่เกี่ยวเนื่องกับตนเองฉะนั้นการยักย้ายถ่ายเทจึงมีไม่จำกัด อย่า ก, กังวลว่าจะขาดภพภูมิที่เหมาะกับกรรมของคุณต่อให้คุณทำกรรมไว้แสนพิสดารหรือประหลาดขนาดไหนก็ตาม